การโกหกระหว่างนานๆโกหกทีแบบจังๆกับปิดเบือ น, นิดหน่อยทุกวันอันไหนมีผลในความจำผิดเพี้ยนมากกว่ากันการเปลี่ยนดำเป็นขาวซ้ายเป็นขาวาผิดเป็นถูกทำเป็นไม่ทำซึ่งใจรู้อยู่ว่าไม่ตรงกับความจริงอย่างสิ้นเชิงการสแกนสมอง พบว่าทำให้สมองทำงานหนักขึ้น3มส่วนส่วนแรกคือส่วนของการดึงความจาเก่าขึ้นมาแล้วสร้างมนภาพหลวงขึ้นแทรกซ้อนส่วนที่สองคือส่วนการคิดลวงเพื่อกดทับการคิดจะพูดความจริงเอาไว้ส่วนที่สามคือส่วนอารมณ์กระวนกระวายอันเป็นธรรมชาติของอารมณ์หลอกลวง ถ้านานๆโกหกทีคุณจึงรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆเพราะสมองทำงานหนักผิดปกติแถมมีการสับภาพความจริงกับภาพหลอกแบบที่ต้องเข้าช่องความทรงจำถาวรคือเล็งใหเแมันว่าภาพหลอกต้องเกิดกับใครเมื่อพูดคุยกับเขาอีกเกี่ยวกับเรื่องที่หลอกไว้นี่เองเป็นเหตุให้คนเราไม่ชอบโกหก ถ้าคนฟังไม่ได้มีความหมายมากพอก็ไม่อยากออกแรงมูสาให้เปลืองพลังงานเปล่าแต่การสอดแทกความเห็นส่วนตัวเข้าไปในความจริงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันชนิดจงใจตีไข่ใ ส, ส่สีหรือจับแพะชนแกะด้วยความมุ่งหวังให้ผู้ฟังเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือกระทั่งเอาคำพูดของเจ้าตัวมาทั้งหมดแต่แดัดแปลงน้าเสียงเสใหม่ให้มีหางเสียงเป็นห้วนกระชาก เพื่อให้คนฟังนึกว่าเจ้าตัวอยู่ในอารมณ์เดือดทั้งที่เจ้าตัวอยู่ในอารมณ์ดีอย่างนี้เรียกว่าตั้งธงไว้จะให้เกิดความเข้าใจผิดกันเพื่อผลที่ตัวเองต้องการพอพูดปิดเบือนทำนองนี้ทุกวันจนกระทั่งสมองทำงานแบบสับขาหลอกเป็นปกติสมองของคุณจะทำงานซับซ้อนกระทั่งแยกไม่ออกว่าความทรงจำไหนกันแน่ ตรงกับความจริงบริสุทธิ์เหมือนทุกความจริงมีสิ่งแปดเปื้อนปลอมปนไปหมดเนื่องจากคิดลวงซ้อนคิดจริงถักทอสอดแทรกไปด้วยกันจนไม่ต้องออกแรงกดทับแล้วก็ไม่มีความกระวนกระวายเนื่องจากมีข้ออ้างกับตัวเองว่าก็ตูพูดจริงอะ่ะสรุปคือบิดเบือนนิดผิดเพี้ยนหน่อยทุกวันมันกลายเป็นความสรงจำเบิ้วเบี้ยวขนาดมาคมาได้ ถ้ามีคนใกล้ตัวที่คุณรู้ว่าเป็นจอมบิดอยู่ก็จะพบได้หลายครั้งว่าเขาจำสับสนแยกไม่ออกว่าอันไหนเกิดขึ้นจริงๆข้างนอกอันไหนเหมือนเกิดขึ้นจริงในมนโนของเขาล้วนๆกันแน่ก็ขนาดยังไม่ตายความจำยังเพี้ยนได้ตามวิถีคิดตายแล้วจะมีชะตาใหม่ถูกใส่ใครให้ชีวิตเบี้ยวบิดแค่ไหนก็คงไม่น่าแปลกใจเลย สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษสถานเบาของนักมุสาคือถูกใส่ใครให้ชีวิตผิดปกติได้ไม่เลิก